ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอมาทุกินเดกสูตรคือเป็นพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงอุทเทศคือบทตั้งเอาไว้แล้วไม่ส่งอธิบายขยายความออกไว้ให้พิสดาลทำให้าาพระที่ฟังอยู่ก็เกิดข้างใจสงสัยจึงไปเรียนถามพระมาจายนะเทระ แต่ปกติแล้วพระเทรัก็อยู่ที่กรุงอุเชนีในแอลวันตีชนบทรีอดีตท่านเป็นปุ้รหิตของพระเจ้าจันทประโชธเมื่อข่าวคราวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าปรากฏไปในชุมพูทวีปพระเจ้าจันทประโชยก็ปรารถนาที่จะอัญเชิญเสด็จพูะเจ้ามาสู่กรุงอุเชนีเพื่อเผยแพร่าศาสนา ก็ส่งปุโรหิตกัจจายนะพร้อมด้วยบริวารเจ็ดท่านรวมแล้วก็เป็นแปดแล้ ว, ว่ากัจจายนะคล้ายๆคือเชื่อมัน่นอะไรชอบกนลคือขอลาบวช ด, ด้วยแล้วก็เมื่อฟังธรรมในสำ น, นักพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุ ม, มกผลเป็นรหารแล้วกราบทูลรัตนาพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปที่กรุงอุเชนีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเธอน่ละ กับบริวารไปเถิดเพราะว่าเธอคุ้นเคยกับราชวงศ์กับประชาชนในสถานที่นั้นเมื่อไปถึงแล้วประชาชนก็จะเกิดสถานื่อนใส่พราะาโดยปกติแล้วข่าวคราวที่เกี่ยวกับพระมหาัติยานะจึงปรากฏอยู่ต่างด้านอาวันจีสุนตบทแต่คราวนี้พระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ส ก, กสัสุนตบุตรประทับอยู่ที่ป่ามาวัน ก็หมายความว่าพระมาทเจรณะก็ต้องมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่เพราะการที่ท่านอยู่ห่างไกลจากหมู่คณะคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยทำให้มีคนไม่มีคนรู้จักเกียรติคุณของท่านอาจจะได้ยินข่าวคราวความโดดเด่นที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นยอดของพิสุทั้งหลายในการขยายข้อความย่อดๆนี้ให้พิสดาร วอนเมื่อท่านไปกราบเรียนถามในประเด็นที่ถามเนี่ยคือบกคนส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษ เ, เพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุก็หมายความว่าในช่วงแรกเนี่ยเพราะการประจุกันของยัน ต, ตนภายในภายนอกก็เรียกวิญญาณ ทีนี้อาศัยอายตนาภายในภายนอกก็วิญญาณก็กลายเป็นสัมผัสพอสัมผัสก็กลายเป็นเวทนาคือชอบไม่ชอบเราก็รู้สึกเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าเราชอบมันก็เป็นสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบก็เป็นทุกข์เวทนาถ้าเรากลางๆ ก, ก็เป็นอทุกข์ก็สุขเวทนาและทีนี้มันจะเกิดสัญญาเป็นเหตุเนื้อชาทั้งส่วนที่เราชอบและส่วนที่ไม่เราชอบหรือแม้แต่ส่วนที่เราไม่ชัดเจน พระองค์ส่งยกกิเลส ท, ที่เป็นเหตุเนิ่ช้าไว้เจเจดข้อที่เราเรียกอนุสัยเจ็ดมันก็มีการมราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุสัยวิจิกจชานุสัยข ว, วาราคานุสัยแล้วก็เรื่อยมาจนถึงนวิสานุสัย ก็เป็นบทสรุปรวมของกิเลสทั้งสามกองคือกองโลภะทุสาโมหะนั่นเองแต่ว่าตามปกติแล้วเขาจะส ง, งบนิ่งอยู่ข้างล่างอยู่ภายในจิตตอเมื่อมีอารมณ์อะไรมากระแทกจากข้างนอกกิเลสเหล่านี้จะฟูขึ้นมาแต่แรงกระแทกก็ต้องแรงนะหรือถ้าไม่แรงเนี่ยมันก็ไม่ถึงก็ฟูขึ้นแต่ว่าเราก็มีกิเลสประเภทนิวรนที่จะลุกอำนาจแก กิเลสแล้วก็ออกไปทุจริตทางกายทางวิชาทั้มันก็เริ่มมาจากใจเพราะพระเทพราก็แสดงมาเรื่อยมายจนถึงก็ เ, เรียกว่ารูปสัญญาสัทธาสัญญาคันธาสัญญารสัสัญญาปุถุพัสัญญาธรมาัญญาก็รวมแล้วก็เป็นสัญญาเป็นเหตุเนื่นช้าหกประการด้วยกันแล้วก็ซืมเรื่องมาจากโลกสัมผัสที่เราสัมผัสในใจละวันี ท่านผู้ฟังอย่าสังเกตได้ว่าก็เป็นเรื่องโครงสร้างเดียวกับสมุทัยวานในสติปัฏฐานสูตรแต่ว่าสติปัฏฐานสูตรนั้นก็ทรงแสดงถึงสิบระดับถึงกระบวนการทางจิตก็มีสิบระดับในที่นี้ก็ส่งแสดงมาแค่สัญญาสัญญาต่อไปก็เป็นสังเจตนาเป็นตนาเป็นวิตกเป็นวิจารณ์ สรุปว่าถนับไปเต็มที่ก็ครบสิบเหมือนกันทีนี้ปริยัปริยาแห่งธรรมะเหล่านีขนขน้ขึ้นอยู่กับว่าจะทรงแสดงระดับใดก็เป็นรูปอนุโลมมัทเทศนาคือคล้อยตามพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นท่า น, น, นก็ท่านก็มาหยุดอยู่แค่สัญญาเพราะว่าบู้าตั้งอุเทศไว้แค่สัญญา จากนั้นทก็บอกว่าเพราะประชุม3ประการเพราะอิจตนาภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณจึงเกิดเป็นพัสดกเพระาะพัสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาสบุคคลสวยเวทนาอันใดก็จําเวทนาอันนั้นบุคลบคลจําเวทนาอันใดแ้วก็ตรึกนึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกนึกถึงเวทนาอันใดก็เน้นชาอยู่ที่เวทนาอันนั้นแล้วความมาเดินไปถึงวิตก ความตรึกนึกถึงเวทนาที่เคยสัมผัสมาในอดีตรหรืออาจจะกําลังสัมผัสอยู่ในขณะนั้นหรืออาจจะปรารถนาไขว้ขวเวทนาที่ตนต้องการซึ่งคิดว่านะคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะทั้งหมดเนี่ยมันจิตมันชะงักหมดแล้เพราะเป็นการยึดจิดตความรู้สึกว่าของเรา หรือรู้สึกว่าเราเป็นรู้สึกเป็นตัวเป็นตนก็ตามมันก็ยึดติดอยู่ในตรงนั้นแล้วก็ท่านก็แสดงว่าบุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใดส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าก็ครอบงำบุรุษเพราะเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุแล้วก็มาจนถึงธรรมอา ร, รมณ์อารมณ์ที่เราคิดนึกหรือใจเราเก็บไว้ภายในใจก็นามาคิด ที่เป็นอนดีตกรียนะคดีคดปัจจุบันก็ดีจากนั้นก็ไปท ร, ทรงแสดงในรูปของความมีหมายความว่าตามีรูปก็มีจกักรวิญญาณก็มีเขาก็จักบัญญัติภาษะทีนี้ภาษานี่ก็บัญญัติตามอายตนะภายในจกักรวสัมผัสโสตสัมผัสขานะสัมผัสจิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัส ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติผัสสะมีเขาก็บัญญัติว่าเวทนาข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติเวทนามีเขาก็บัญญัติรัสัญญาสัญญาเขาจะมีได้ก็ว่าเรื่อยไปจนถึงข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติสัญญามีเขาก็บัญญัติว่าวิตกข้อนี้ก็ฐานะที่จะมีได้ ในความนี้ก็คือกระบวนการของการจัดการสิ่งที่เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิ ด, กดแต่ถ้าดับก็สิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับก็ดับไปเป็นแถวเกิดก็เกิดไปเป็นแถวแล้วก็จากนั้นก็จะส่งแสดงอยายตนะภายนอกกับอยายตนะภายในคือหูก็เสียงจมูกก็กลิ่นลิ้นกระดดกายกับเย็นร้อนอ่นอนแข็งแล้วก็ใจกระทำอารมณ์แสดงในแนวเดิมที่ว่า ผูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจมีธรรมรมณก็มีและมโนวิญญาณก็มีเขาจากบัญญัติว่าผัตสัคคนนี้เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อการบัญญัติภัตสัมีเขาจากบัญญัติว่าเวทนาคนนี้เป็นฐานะจะมีได้คือหมายความว่าถ้ามีสักอย่างเนี้ยก็มีไปเรื่อยๆแหละในสุดมันก็กลายเป็นวงกลมที่หมุน โดยจนว่ามีเวทนาเป็นอันมากที่เราสยบติดกำหนัดเพลิดเพลินพระเวทนาเหล่านี้ดับไปเราก็ห้อยหายอะไรแล้วก็ในขณะที่ปรากฏเราก็กำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีพอดับไปก็ปราถนาทียบเกิดก็คอยคว้าที่จะได้จะมีจะเป็นในอนาคตท่านท่านก็แสดงไปเรื่อยๆว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมก็มีไปโดยลำดับพอถึงจุดต่อไปก็พูดถึงไม่มีหมายความว่าจริงๆก็คือนิโรธสายดับเ ร, รียกนิโรธวาวรอริสัตสายดับพอเริ่มเหมือนกันหมายความว่าถ้าจะขุมมีรูปก็มีนะการบัญญัติรวิญญาณก็มีบัญญัติว่าผัสสะก็มีบัญญตัญญติว่าเวทนาก็มีบัญญัติว่าสัญญาก็มีแล้ว กิเลสเป็นเหตุเนื่องช้ามันก็จะเกิดขึ้นตามการกำหนดการยึดติดอยู่ในบัญญัติเหล่านั้นแต่ว่าเราสังเกตว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นชีวิตเป็นชีวิตประจำวันทุกขณะจิตของเรามันเป็นกฎธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติแต่ว่าเราขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการรู้ทับทันําปกติแล้วจิตใจก็จะเลื่อนไหลหไปตามกระแสของ อารมณ์ที่เราสัมผัสก็แล้วแต่นะฮะแต่แล้วแต่จะจะที่ตรงใดก็ติดได้ทั้งนั้นต่ะหมายความว่ากิเลสที่เกิดได้ทุกจุดในขณะเดียวกันก็ดับได้ทุกจุดธรรมะก็เกิดได้ทุกจุดกิเลสก็เกิดได้ทุกจุดเพราะว่าพวกนี้จริงๆเขาเป็นกลางกลางโดยเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นอนะเพิ่มกิเลสก็มีเพิ่มธรรมะก็มีเพิ่มรราศรัทธาภาษาะความเชื่อความเรื่อมใสก็มีก็แล้วแต่ มันก็อยู่ที่การกําหนดจิตมันไม่ได้มีข้อยึดติดเราว่าสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเราเองเถอะอคนที่มีบุญญาบารมีมากพอพอเห็นก็เกิดศรัาเลื่อมใสอย่างเนี้ยอย่างในกรณีเขาประมาทใจน า, าที่เล่าให้ฟังพระเจ้าจันทร์ประโชตต้องการส่งท่านไปเป็นผู้นิมนต์พระพุทธจเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์โลกที่ อาวันตีชนบทไปที่กรุงอุเชนีท่านั้นเองแต่ว่าท่านก็คิดเลยไปจนถึงขอลาบวชด้วยที่ลักษณความคิดเหล่านี้เราจะเห็นว่าอย่างพวกทูต ท, ที่พระเจ้าสุโธตนะส่งมาให้นิมนต์พระพุทธเจ้าถึงสิบชุดชุดละพันท่านมีวัวหน้าหนึ่งหนึ่งท่านแล้วก็นอกนั้นก็มีบริวารหนึ่งพันแต่ท่านเหล่านั้นก็ไปแล้วนะล่วงหน้าไปแล้วคือไปบวชไปเลย ความระทับมเทศนาแล้วบรรลุมรควุไปเลยแต่อย่าลืมนะฮะว่าคนเป็นอันมากที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างพระสูตรเนี้ยทันทปาณิเนี่ยทันทปานินนานสักยะเพราะว่าเป็นพวกของเทวทัท่านรับวิญญาณของท่านเป็นอย่างหนึ่งนะทําให้สัมผัส ข, ของท่านเป็นอย่างหนึ่งเวทนาของท่านเป็นอย่างหนึ่งสัญญาของท่านก็เป็นอย่างหนึ่งมันก็อยู่ในกิเลส ป, ประเภทโทสะหือพยาบาท เพราะคุยกันไปคุยกันมาก็มีสันรศรีษะแลบลิ้นแล้วก็ทำหน้ า, นาย่นเป็นหน้าผากย่นเป็นรอยสามรอยแล้วก็ถือไม้เท้าเดินไปเลยเห็นไหมว่าพระเจ้าพระองค์เดียวกันพระเจ้าพระองค์เดียวกันในขณะที่กลุ่มของพระมหากัจจา น, นะไม่เคยเห็นนะฮะได้ยินข่าวเฉยๆแต่เมื่อกายถวายชีวิตไปแล้วล่วงหน้าไปแล้ว พวกบริวารของพระเจ้าสุตตระน่าก็เหมือนกันนะคนทั้งหลายเนี่ยบางทีก็ได้ข่าวนะเช่นพระนารกะหลานท่านธรรมสิตดาบดกกาลเทวินดาบดเนี่ยท่านรับรู้ของท่านอ่ะลุงก็สั่งไว้ตั้งแต่ท่านยังเด็กๆแล้วก็สั่งแม่ของท่านไว้ด้วยเพราะต่อไปถ้าเจ้าชายสิทธะแห่งสกิยาวงศ์เสด็จออกพนวดเนี่ย ไอ้ติดตามข่าวให้ดีแล้วพอท่านจะสรู้เนี่ยให้ไปข้าเลยถ้านนากกลกะแทนที่จะติดตามข่าวเนี่ยไม่ใช่บวดรอเลยไปบวดรอไว้เป็นบวบบวบเป็นฤษีไปรอไว้สแสดงแะสะแดงถึงพลังของความเชื่อมั่นที่มีต่อชาติชาติทัตทะนี่สูงมากเชื่อมั่นเช่นเดียวกันหลวงลงุง ซึ่งเป็นดาบทแต่ลงล้นท่านแก่แล้วท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ไม่ทันหรอกแล้วก็สั่งหลานชายเอาไว้หรือพระคุณณะมันตันนีบุตรหลานพระอัญญาโกนันดาก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นตรงเนี้เราจะเห็นว่าผรรษะเนี่ยมันเรากระทบไปแันแหละแปลว่าพื้นพื้นจิตคุณเนี่ยคุณคิดยังไงอ่ะคิดยังไงก็ได้นะคุณคุณคิดให้กิเลสมันเกิดตัวยากก็ได้ คุณคิดได้เกิดธรรมะ ก, ก็ได้คุณคิดได้เกิดเฉยๆก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าพุ่งนี้ไม่มีนะฮะตีต่างก็ไม่มีหมายความว่าเราไม่ได้เห็นรูปจิตที่จะกำหนดในรูปมันไม่มีสัญญาเป็นเหตุเนื่นช้าด้วยการกำหนดรูปว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจมันไม่มีเพราะว่าตัวเองไม่เคยสัมผัสมาเสียงเป็นนั้นมากที่ไม่เราไม่มีสัญญาอยู่ภายในใจอ่ะ คนอาจะครอบเพลงบางเพลงแต่เราไม่เคยได้ยินเลยก็ไม่เคยสนใจเห็นหั้มว่าจริงๆว่าเคือเป็นวิถีชีวิตเป็นความสลาดในอารมณ์ของคนแต่นั้นเองท่งานก็ว่ามาตลอดทั้งชุดอีกนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ท่านสรุปว่าดูก่อนท่านผูน้มีอายุทั้งหลายเมื่อใจไม่มีธรรมอารมณ์ไม่มีมนโนวิ ญ, ญญาณก็ไม่มีเขา จักบัญญัติว่าพรรษาคนนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้คือไม่มีอะไรให้บัญญัติในการบัญญัติมันต้องมีสิ่งเง้เขาบัญญัติรถเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีเห็นไหมแล้วก็พอสร้างขึ้นมาเราก็บัญญัติเรียกว่ารถชาวชาติอื่นเขาไม่เรียกว่ารถอย่างเราเราเรียกว่ารถเพราะว่าเราใช้ภาษาบาลี แล้วก็คำคเนี้ยที่จริงเมื่อก่อนเนี่ยรถไม่ใช่อย่างเนี้ยรถที่เทียมด้วยมา้าโบราณเขาเรียกว่ารถม้ารถที่เทียมด้วยโคเทนที่จะเรียกว่ารถเราเรียกว่ากวียเนรพวกนี้ที่จริงมันบัญญัติเอาแล้วแต่ใครจะเรียกในภาษาของใครอกิเลสจะเกิดธรรมะจะเกิดหรือว่าความรู้สึกเฉยๆก็แล้วแต่คน แล้วก็ท่านก็บอกว่าเมื่อบัญญัติพัรษะไม่มีเขาจาักบัญญัติว่าเวทนาข้อนี้ไม่ใช่ฐานะยังมีได้ก็ไปเรื่อยมานะเป็นไปเรื่อยมาจนถึงสัญญาจนถึงวิตกพอไม่มีก็เขาจักบัญญัติเมื่อการบัญญัติวิตกไม่มีเขาจักบัญญัติว่าการครอบงําส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้ามันก็มีไม่ได้ คราวนี้มันก็เกิดคิดไม่ได้ไม่ใช่ฐา น, นะที่จะมีได้แต่นั้นท่านก็ทรงแสดงกล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงอุเทศนี้ไว้โดยข้อความโดยย่อว่าดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายส่วนแห่งสัญญาเป็นเครื่องเนื่นช้าย่อมครอบงำบุรุษเพราะเหตุใดแต่การที่บุคคลจะเพลิดเพลิน ยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้เทียวเป็นที่สุดแห่งอนุสัยทุกๆข้อนะฮะเห็นไหมว่าตัวการสาคัญมันอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่อุปาทาน่ะยึดถือกล้ำกลืนนี่หมายความไงหมายความว่า เ, าเวทนาดับตัญหาดับอุปาทานดับพบก็ดับชาติก็ดับไปชำระมาไดแล้วแต่และก็ดับไปเป็นแถว เรื่อ ง, งตำรวจจึงเป็นเรื่องที่เราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองโดยเนื้อหาสาระจริงๆเขาไม่มีอยู่โดยสถานะแม้เราก็ไม่มีมาก่อนะให้เราตัง้งใจเราไม่มีมาก่อนเรามาจากอะไรเรามาจากปัจจัยที่มาปรุงแต่งผสมกันผูมริรัศมีหลักก็มีอยู่สามประการกำมังเขตตังวิจันังวิจังตังหาสิเนหัง กรรมที่เรากระทำไวนะ้น่ะเหมือนกับเนื้อหนาหรือพืชหน้าวิญญาณเนี่ยเหมือนกับหน่อของพืชนิเวศเหมือนกับยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชทีนี้พวกนี้มันทักาดสักอย่างการเกิดเป็นชีวิตในรูปแบบต่างๆมันก็มีไม่ได้เพราะว่า การเกิดเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบพร้อมก็เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมมันไม่เกิดหรอกไม่ว่าจะฝนตกจะเป็นแดดออกแ่น้ำท่วมน้ำหลากอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยเท่านั้นธรรมะพอเราดูก็จริงอยู่ในตัวเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่กายวาญจาใจของเรานี่แหละหาไปเถอะ แต่ทีนี้ที่น่าห่วงใหญ่ก็คือสังคมไปมองแยกส่วนคล้ายๆกับธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องคนแก่แล้วก็เราก็ไม่เกี่ยวกับธรรมะเลยก็เมินเฉยละเลยที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะพัฒนาตัวเอง ท, งทางที่อยู่กับธรรมะเนี่ยใจเราก็คิดเป็นธรรมะทุกขณะ เราคิดดีก็แสดงว่ามันเป็นกุศลวิตกที่เป็นกุศลเขาเรียกกุศ ล, ลวิตกเราคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลเขาเรียกว่าอากุศลวิตกแต่ทีก่กลางๆมันก็เป็นกลางๆไปคือไม่ดีไม่ช่วอะไรคือถ้าคนเราได้สนกในข้อนี้เราจะเห็นว่าอกิเลสมันก็แยกออกไปจากจิตเพราะมันไม่ใช่จิตกิเลสมันก็ไม่ใช่จิต อารมณ์เองก็ไม่ใช่จิตจิตก็คือจิตอารมณ์ก็คืออารมณ์กิเลกก็คือกิเลสเมื่อมันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันเราก็แยกออกไปได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เลยก็สักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์สักแต่ว่รูปสักแต่ว่าเสียงสักแ ต, ต, ต, ต่ว่ากลิน่นสักแต่ว่รสสักแต่ว่าลิ้นสักแต่ว่าย็นนั่อนแข็งสักแต่ว่าอารมณ์ พวกนี้มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ปร่งต่อไปโดยความเป็นจริงแล้วเราก็ทำได้อยู่แล้วระดับหนึ่ง <c oughs> มีเรื่องเยอะที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเรามันไม่เดินไปสู่มันอาจจะมีกระทบนะฮะแต่เราไม่ใส่ใจไม่สนใจใคนความยินดียินร้ายมันก็ไม่เกิดเพราะยินดียินร้ายไม่เกิดก็ไม่เกิ ด, ก ไ, กดไอ้สุขเวทานาทุกเวทานาหรือแม้แต่อุทกเวท ทุกขมัสุขได้าจะเกิดนะฮะแต่ว่าสุขทุกข์เอมันไม่เกิดเพราะอะไรเพราะใจเราไม่ยินดีสุขมันก็ไม่เกิดเราไม่ยินร้ายทุกข์มันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดไอ้สัญญาเนี่ยมันก็ไม่เกิดเห็นไหมสัญญา ก, กะดะก็หมายความว่ า, าการทําจิตให้เข้าถึงที่สุดคือหลุดพ้นจากอํานาจของอนุสัยทั้งเจตประการเนี่ย เป็นครั้งเป็นคราวหรือสงบทิ้งช่วงยาวๆหรือว่าบางระดับมันก็ทําได้อยู่แล้วเพราะสคัญว่าบุคคลจะต้องเข้าใจวันนี้คุณค่าแท้ของชีวิตเรามาสู่โลกนี้ด้วยกรรมเราอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมอยู่ทุกขณะออกจากโลกนี้ไปด้วยกรรมที่มันปรากฏก่อนจะดับ เราดับจิตระดับด้วยกรรมอะไรมันก็ไปเกิดด้วยกรรมอะไรเวละการตรงนี้จึงที่ท่านแสดงที่พระเจ้าทรงยกไป็นุเทศเนี่ยในการแสดงถึงการดับโดยไม่เหลือของอนุสัยก็หมายความว่าเป็นรานไปเลยในอนุใสยนั่นแหละเราจะเห็นว่ามันก็คือลาษษาโลภะทุศมห h นะวิจิกจานุสใสราคาราคานุสัยก็คือโลภหรือราคาก็ได้นะออก็กิเลสประเภทคว้าเข้าม า, าเนี่ยปฏิกานุสัยก็คือกิเลสประเภทโกรธพิธานุสัยก็คือกิเลสประเภทเห็นผิดแล้วก็วิจิกจารนุสใสก็กิเลสประเภทโมหะมานานเออ มนานุสัยก็คือพวกมนานะก็คือพวกโมหะด้วยกันนะนะฮะแต่เพราะว่าราคานุสัยก็เป็นพวกราคะเป็นพวกโลภะแต่มันก็ละเอียดอภิชานุสัยนั้นเป็นบทสรุปบทรวมของสรรพกิเลสทั้งหลายมันก็มาอยู่ตัวนี้ยทีนี้เราสังเกตถ้าเราดับได้สมมติว่าเราดับเรื่องการมาราคะได้ไม่ไม่ถึงกับดับละขณะกํากับควบคุมได้ กำกับควบคุมได้เนี่ยมันก็สร้างเป็นบ้านให้เป็นสวรรค์มิมาตได้สามีปัญญาไม่เน้นเรื่องความต้องการทางเพศแต่ว่าก็ให้เป็นกฎธรรมชาติไปเป็นความต้องการธรรมชาติไปกับราคะไม่มากเกินไปเมื่อกำกับควบคุมได้ พอเราไม่ให้ความสําคัญแก่ตัวกรรมราคาเนี่ยเราจะไม่ให้ความสําคัญแก่รูปแก่เสียงแก่กลิ่นแก่รสแก่สัมผัสแต่ว่าอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนกันเพื่อนคู่ทุกข์ร่วมทุกข์ยาติ้วกันพอถึงจุดหนึ่งมันก็ชวนกันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเขาวัดฟังธรรมจาศีลไปนั่นคืออะไรก็คือราคานุใสัยนี่มันไม่หมดหรอกแต่มันก็จางลงไป ปฏิคานุษยสก็จะลดจนถึงกับสามารถ อ, อยู่ร่วมกันโดยไม่ทะเลาะ ก, กันอาจจะรู้สึก ง, นงุนงงจำคานนิดหน่อยแล้วก็ไม่แสดงออกมาทิฏฐานุษยใสก็อย่าถือรั้นเกินไปฟัง ค, คนอื่นเขาบ้างนะฮะไม่ใช่ไปหลงตัวเองให้ความสาคัญแก่ตัวเองจะมีความคิดในรูปของพะเดตกา์ คล้ายกับว่ า, าตัวเองเป็นศูนย์อำนาจยิ่งใหญ่ที่จะชี้ผิดชี้ถูกใครก็ได้ไม่ยอมรับกระบวนการของกฎหมายของความยุติธรรมเฮ้ยมันเดือดร้อนนะสังคมก็เด้ดร้อนแต่เระเห็นว่านั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเป็นปฏิฆะเป็นโลภะเป็นทิฐิแล้วก็เป็นมานะ แต่ทางๆ ท, ที่เรื่องยังไม่ได้ชัดเจนอะไรแต่ตัวเองก็ตัดสินแล้วเลาเอกสารที่เขากล่าวหาอะไรกันมาอ่านดูแล้ก็รู้สึกปแปลกเป็นความคิดที่แปลกนะฮะมันเป็นระบบการกล่าวหาแต่ว่าตัดสินไปเลยคือคำพูดในลนักษณะเนี้ยมันต้องมีปริวิกับ ปริกับคือถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอยู่ที่ศาลก็จะตัดสินมนไม่ใช่เราตัดสินข้อความข้อต้นเนี่ยว่าเออเป็นความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะฮะตั้งมาเป็นคำถามแต่พอเขียนต่อมาเนี่ยกลายเป็นคำวินิจฉัย วินิจัยก่อนสารนะฮะเสนอเรื่องให้แก่สารโดยตัวเองวินิจัยสัวก่อนละนั่นคือแสดงอะไรฮะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของพวกอนุสัยกิเลสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กุ้มลุงใจอาจจะแรงอะไรก็แล้วแต่นะอาจจะเป็นราคะอาจจะเป็นโลภะอาจจะเป็นโทสะมันเข้้นพวกเรามันไม่จะอยู่ระดับระดับปฏิฆะแล้วสิ่งกิเลสที่ลน้นออกมาข้างนอก เพ ป, ปัญหาเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งมันก็นำไปสู่อ๊ปัญหายากรรมอย่างที่เราเห็นเนี่ยแต่ว่าผู้จ้า ก, ก็ยกเอาพฤติกรรมของคนลยุกนั้นขึ้นมาซึ่งในแง่ของความเป็นจริงก็ยังมีถ้าเราดับกิเลสเหล่านั้นมันก็จบในเรื่องอื่นในพฤติกรรมล่างผลาญกันเนี่ยมันจบด้วยสงใช้คำว่าที่สุดแห่งการจับพอนไม้การจับสัตรา การทะเลาะการถือผิดการโต้เชียงการด่าว่ากันการโสดเสียดยุยงแล้วการกล่าวเท็จอกุลอันลามกเหล่านั้นย่อมดับไปโดยไม่เหลือในเพราะเหตุนั้นและไม่ทรงชีง้แจงเนื้อความมาผิดารเสด็ดลุกจากอานสนะประทับเสียดูก่อนทัาพงมียยุทั้งหลายผมรู้ถึงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระบูมีพระพเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อนี้ ไม่สงที่แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้อย่างนี้ก็แล้วเมื่อท่านทั้งหลายปรารถนาก็พึงเข้าไปฟ้าพระพุทมีจ้าภเจ้าทูลถามเนือความนั้นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ประการใดท่านทั้งหลายพึงทรงจําข้อนั้นไว้โดยประการนั่าถึง น, นี่คือหลักการคือปฏิปทาของพระอระหันต์คือเวลานี้บางทีเราก็เห็นการโปรโมทรูปอาจารย์กันมากเกินไป ไม่พูดถึงพระพุทธเจา้าเลยก็ที่ครูบาอาจารย์เขาคุณออกมาพูดออกมาธรรมะของพระพุทธเจา้ามันจะธรรมะของอาจารย์คุณธรรมะของท่านนั้นท่านนี้ท่านโ น, น้นอะไรจะไดเนี่ยไม่ธรรมะของพระพุทธเจา้ามันเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมควรคือขโมยธรรมะขโมยธรรมะของพระพุทธเจา้ามาโมเมมาอ้างว่าเป็นของตัวเอง เหาือนการเคารพต่อพิสัทธธรรมเนี่ยจริงๆถือเป็นเรื่องสำคัญพระมหาจตรยนะเห็นไหมท่านเป็นประหานแต่ฉานในเป็นสา ม, มิทาได้พิญญาหกไปสามิทาสี่วิชาสามแล้วก็รับย่องย่องยวาวคเจ้าว่าสามารถขยายข้อความโดยย่อพิษลานได้แต่พอเอาก็จริงเนี่ยแต่ท่านไม่ให้เชื่อทาน ไปสอบทานกับพระพุทธเจ้าดูแต่ซึ่งลักษณะเราเนี่ยที่จริงมันก็มีอยู่ในมหาประเทศขวายพระสูตรก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันพระภิกษุผานเนี่ยมันก็มีปัญหาในประเด็นตรงนี้ตอนพระเจ้าก็รับสั่งว่าให้นําไปสอบทานกับพระสูตรถ้าลงกันสมกันเข้ากันได้กับพระสูตก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าลงกันไม่ได้เข้าเข้ากันไม่ได้เนี่ย ก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นจะมาชิดก็เป็นเรื่องของท่านแล้วว่าเราก็ควรจะจับหลักของพระพุทธเจ้าคือยังนึกว่าคำพูดของพระตถาคาเนี่ยมันซึ่งมากนะท่านบอกว่าพระธรรมก็ถึอทำหน้าที่เหมือนราชทูตอ่านราชสารของพระราชา นรัชสารมีข้อความว่ายังไงเนี่ยทูตที่สุจริตต้องอธิบายต้องอา่อานไปอย่างนั้นเรารับผิดชอบในฐานะผู้อ่านคือจะอ่านนั้นผิดแต่ข้อความทั้งหมดน่ะเป็นของพระราชาไม่ใช่ของเราวันธรรมะอย่าไปโมเมว่าเป็นของตัวเองธรรมเอกสารหลักฐานวันนี้เช่นระดับพิธานิพนธ์ทั้งหลายเนี่ยทุกทีเราก็อึดอัด คือข้อความที่ท่านยกมาเนี่ยมันเป็นการยกมาจากพระไตรปิฎกแต่ทีนี้อาจารย์ท่านเนี่ยยกมาจากพระไตรปิฎกมาลงในหนังสือตัวเองและตอนพันอ้างเนี่ยแทนที่จะอ้างที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นตัวที่มาจริงๆแต่กลับไปอ้างอาจารย์ตัวเองซึ่งเป็นเอกสารระดับรองคือทำให้น้ำหนักเนี่ยมันน้อย ท, ทั้งๆที่เราก็รู้ว่าใช่พระเจ้าทรงสแสดง แต่คุณไม่เอือกเฟื้อเนี่ยคุณไม่เอือกเฟื้อตอบพระพุทธเจา้าคุณมัโมเม่เป็นของอาจารย์คุณจะมีรายการทางวิทยุรายการหนึ่งเขาจะนำพระพุทธศาสนสุภาษิตมาอ่านทุกคืนอาจารย์เขารวบรวมไว้เป็นเล่ม เวลาเขาอ้างเนี่ยเขาอ้างเป็นวาทะของอาจารย์เขาบอกว่าไม่ได้นะอันนี้ก็เอามาจากพระจ้าบิดกแต่อย่ะอ้างนี่อ้างพระพุทธเจ้าอย่าไปอ้างอาจารย์แต่ต่อมาเขาก็เปลี่ยนนะมาอ้างเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีไปเ อ, อ่อภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมภาสิทธิ์ของพระมหากานะแล้วก็ลุกจากอัสนะเข้าไปคว้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ แล้วก็เสร็จแล้วก็กราบทูลเรื่องทั้งหมดนะเรื่องทั้งหมดที่ท่านสนทนากันเนี่ยแล้วก็สรุปว่าข้อความทั้งหมดเหล่านี้ ท, ที่ที่พระมหากจระณนะ์ส่งส่งแสดงแล้วก็บอกว่าพวกข้าพระองค์ก็บังเกิดความคิดขึ้นว่าท่านพระมหากจรณ์ น, ะนะนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้ายกย่องและเพื่อนสพรมจันทร์ผู้รู้ก็ ส, สรรเสริญแล้ว แท่านประมาคจานณะก็สามารถชี้แจงเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีภาคเจ้าแสดงไว้โดยย่อไม่ส่งชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ก็เลยก็เข้าไปเฝ้าประมาคจรณนะเมื่อเฝ้าแล้วพระมาคจรณะก็ส่งก็ก็ได้แสดงข้อความทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กราบทูลถามว่าพระพุทธเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านบรมมหากจจารณได้ชี้แจงเนื้อความด้วยการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพ ย, ยัญชนะเหล่านี้แก่พวกข้าพระองค์หมายความวันท่านท้งพูดมาหมดนะต้องพูดมาหมดนะพระเจ้ารัสสังแสดงผู้พิสูจทั้งหลายมหากจาจนยนตเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากทุกคนพิสูจทั้งหลายถ้าแม้พวกเธอจะถามเนื้อความนี้กับเรา แม้เราก็จะพึงพยากรเนื้อความนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่พระมารดาเจนะพยากรแล้วนั้นนี่แหละเป็นเนื้อความแห่งข้อนั้นเธอทั้งหลายจงจำสรงข้อนั้นเอาไว้เถิหรือทั้งฟังต้องเข้าใจว่านี่คือปริยายเทศนาวิธีจะนำเสนอที่จริงก็จับประเด็นตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้นะฮะแต่ว่าแต่ที่พระเจ้าทรงเริ่มไว้เนี่ยคือสัญญาเป็นเหตุเนื่นช้า พร้เจ้รงเลิประเด็นตรงนี้ไว้เพราะงั้นพระมารดาณาก็ทราบพุธธทธทธิบายถามอธิบายวิธีอื่นได้ไหยก็ได้แต่ไม่ได้แตกอะไรแต่ข้อที่ไม่ควรลืมก็คือว่ามันเกิดสืบเนื่องมาจากภายในจิตามกิเลสแล้วเวลาสัมผัสอารมณ์เนี่ยจิตกำหนดด้วยแรงของกิเลสกิเลสก็เกิดจะในขณะเดียวกันเนี่ยยนเราก็มีธรรมะ ในขณะที่เราขาดสติเราก็มีสติในขณะที่เราเกียดเกลียดข้าเราก็มีความเพียนในขณะที่ใจมันแกว่งเราก็มีความความเชื่อในขณะที่ใจมันพุงซ่านเราก็มีความสงบอยู่ระดับอะไรมันมากหรือน้อยก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่ใครเพราะถ้าเรากำหนดอารมณ์เหล่านั้นเสียใหม่ โดยการใช้สติสมัญ ญ, ญาและลึกรู้ทบทันตามความจริงของสิ่งเล่านั้นมันก็ยุติการเพิ่มเชื้อของอนุใสได้อย่างน้อยนะฮะยุติการเพิ่มเชือ้อของอนุสใสได้แล้วก็อาจจะถึงบรรเทาเวลาพวกนี้มันขึ้นสู่วิธีจิตคือกลายเป็นความสืบนึกก็จะเห็นว่าพระเถระลากไระชีวิตตกด้วยนะถือว่าเพื่อจะเห็นว่าไอ้ตัวสัญญาเนี่ยถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละ แต่ถ้าเราเป็นเหนียวนึกตึกนึกมันะมันก็ฟูขึ้นคล้ายๆคนดา่าแล้วเราก็มีความจำคนนี้ดา่าแต่เราไม่วองคิดต่อมันไม่ได้เพิ่มเชื้อความโกรธขึ้นเพราะเราไม่มีไม่มีการตึกนึกหรือเหนียวนึกขึ้นมาเพราะการฉลาดในวิตกบทคือทางเดินของของการจึกนึกเหนียวนึกนี่จริงๆถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะ ประมาทใจน่าแสดงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็แสดงอย่างนั้นก็คือเป็นเป็นแม่บทเป็นต้นแบบว่าพระพุทธเจ้าแสดงอย่างไรเราแสดงอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเราคือเด็กรับใช้พระพุทธเจ้าเราเป็นเพียงราชทูตอ่านราชสารราชสารว่าไว้อยังไงคืออย่างนั้นแหละเราพยายามอ่านให้ตรงอะไรอย่าอ่านให้ผิด นี่คือสิ่งที่เรารับผิดชอบได้แต่ว่าเรื่องเป็นดันมากเนี่ยเรารับผิดชอบไม่ได้แล้กเพียงแต่เรารับเอาที่พระพุทเจ้าทรงแสดงไว้เนี่ยเพราะอย่าลืมว่าคนอย่างรู้ตลอดกระบวนการเนี่ยคือพระเจ้าไม่ใช่เราเราเป็นการเรียนรู้ระดับปริยัติระดับติดนึกแต่ว่ามีเป็นดันมากที่เรายัางสัมผัสไม่ได้พระพุทเจ้าทรงแสดงไว้อย่างเงี้ยก็ขอให้คนเขาเชื่อโตเดียวก็ คืออย่าเชื่ออย่าอย่าไปเชื่อตัวปัิจจสมุเพราะปฏิเจกชนนี้มีโอกาสจะแปรพันได้ง่ายหลวงปู่เจ้าทรงแสดงเนี่ยพระอนุนเทระก็กราบทูลคือคือคือท่านมีความรู้สึกว่าพระมหาเจ้น่าแสดงได้ไพเราะมากและรายละเอียดเยอะนะฮะตรงตรงนี้จริงจริงรายละเอียดเยอะเลยถ้าเราดูหนังสือนอา ก, กว่าอยู่ที่หมวดหก แต่ว่าในโนโกะวาก็พูดมาแค่เวทนาเหมือนกันพูดมาแค่เวทนาเพราะว่าต้องการสอนพระใหม่เท่านั้นเองหรือไม่ได้เจาะลงไปลึกกว่านั้นพระนนท์ก็กล่าวทูลว่าเปรียบเหมือนบุรุษพูดถูกความหิวความเหนื่อยอ่อนครอบงำได้ขนมหวานและกินในเวลาใดก็พึงได้รบับรับรสอร่อยหวานชื่นใจ ในเวลานั้นฉันได้ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนักคิดบัญชาติบัณฑิตพึงใคร่ครวญเนื้อความแห่งธรรมบัญญาณนี้ด้วยปัญญาในเวลาใดก็พึงได้ความพอใจและได้ความเรื่อมใสแห่งใจในเวลานั้นฉะนั้นข่าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบัญญายนี้มีชื่อว่าอะไร น่ะมีชื่อว่าอะไรเพราะว่าเพราะพระอนุตันอุปมาเหมือนกับคนกระหายมานะ่ะหิวโหยมาอ่อนเปี้ยเ พ, รเพรแรงมาแล้วก็มาได้กินน้ำตาลซึ่งมันก็ทําให้เกิดกระปิกระเปล่าขึ้นมาพระเจ้าก็รับสั่งว่าดูกรณนนท์เหตุดังนั้นเธอจงทรงทรงจำทำบรรยายนี้ว่ามาทุปินทิกะปริยายดังนี้เถิดคือว่าปริยายแห่งก้อน ก้นน้ำน้ำหวานเนี่ยซึ่งก็พอกินแล้วมันก็ให้ความหวานความชื่นใจมันเทาความอ่อนล้าความอ่อนเพลียออกไปได้ยึดมันได้อาหารในลักษณะอย่างนี้เลยเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดจริงๆก็คือว่าตัวอารมณ์ทั้งหมด ท, ท, ที่ท่านแสดงไม่ว่าจะเป็นยัตตนะภายในยัตตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนา เราหลับซึงวิตกวิโต้เหล่านี้มันเป็นกลางกลางไอสัญญาในจําดีก็ได้จำไม่ดีก็ได้จำกลางกลางก็ได้วิตกวก็เหมือนกันน่ะวิตกวมันก็คิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้คิดกลางกลางก็ได้ตัวการใหญ่มันจึงอยู่ที่กิเลสธรรมเทศนาเหล่าตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะฮ่อัศงแสดงท่านแสดงในรูปของอริยสัจเป็นการแสดงนิโรธสัจ แล้วก็สมุทัยศัตร์แต่ว่าไม่พิจา ร, รณาเท่ากับในสติปัฏฐานสูตพรพะในสติปัฏฐานสูตรนั้นไปออกที่วิโตกวิจาร์ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันอยู่แค่สัญญาต่อไปจะเป็นสัญเจตนาจะเป็นตัณหาจะเป็นวิตกจะเป็นวิจารณตัวอีกสี่ระดับเนี่ยยังไม่พูดไปแต่ว่าโดยสภาพกิเลสจริงมันไปแล้วนะฮะไปถึงวิโตกวิจารณ์ไปแล้ว งั้นพระเทราก็ามาตอบไปที่วิตกแต่ไม่ได้พูดถึงวิจารณวิตกอันใดวิจารก่อนนั้นวิจาร์อันใดวิตกอันนั้นโดยจะแยกหรือไม่แยกเนี่ยที่จริงในความเป็นวิตกวิจารเนี่ยมันก็อยู่ด้วกันเพราะว่าเป็นเรื่องของขณะจิตที่ต่างกันแป๊เดียวเท่านั้นเองก็สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมที่เราอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน เราก็เจอกระปัญญธรรมเนี่ยรั้งไว้เยอะเลยพอแรงเขาปัญหามานะที่ ท, ท, ที่มีอยู่ภายในใจมนุษย์เราจะเกตว่าในส่วนต่างๆของโลกปัญหาที่ไม่น่าจะเป็นปัญหามันก็มีปัญหาเมื่อก่อนดูข่าวประเทศอะไรดูไม่ตันรัฐมนตรีต่อยกันแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรีดหน้าผู้นาฝ่ายค้านที่เกาหลี เดคัตเตอร์นะะโอ้โหแสดงว่าไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการบรรเทาอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วก็ไหลไปตามความรุนแรงตันนั้นเรามีข่าวคร า, าวการรุมทุบตีครูผู้หญิงเล็กๆในะอินโดนะีเคุณครูจูเลิยนเนี่ย ด, ดูจะเด็กตัวเล็กๆนะฮะ้อมๆด้วยไม่น่าเชื่อ เราไม่น่าเชื่อฮะว่าว่าคนเนี่ยมันตีกันได้ขนาดนี้เถอะละแล้วก็เป็นครูของลูกศิษย์ของลูกหลานตัวเองเป็นครูของลูกหลานตัวเองแตามปกติครูเนี่ยพวกครูพวกแพทย์พวกพยาบาลนะเขาถือว่าเป็นเป็นปู้จนื้บุคคลของสังคมมีคุณูุปการต่อสังคมตามปกติแล้วในสังคมจะต้องให้เกียรติ คือครูบาอาจารย์อย่าลืมนะในสังคมอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นครือญาติผู้ใหญ่ที่ก็บอกค่าก้าชั่วโคตรเอามาเคยถามที่ประเทศจีนไอประเทศจีนเคยถามก็ดูว่าไอก้าชั่วโคตรนี่เขนับยังไงเขาบอกว่านับครูกษิ์เข้าไปด้วยเชนในกรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของคนนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นกอาจจะเป็นอาจารย์อีกคนหนึ่ง มิฉนั้นคนเหล่านี้ก็จะถูกอยู่ในกลุ่มก้าวชโทษทั้ทงได้ดีแล้วก็ถูกลงโทษเนี่ยเรอารมณ์เหล่านี้ค ท, ที่จริงทั้งหมดก็คือการรู้อำนาจแก่อารมณ์การยอมสยกต่อความรุนแรงที่สร้างไนมังเกิดขึ้นแต่ว่าคนเหล่านี้สะสมนะฮะสะสมในจิตสันดานก็เป็นอย่างนั้นแต่แสดงว่าเขาได้ข้อมูลอะไรมาที่ผิดพลาดเยอะแล้วก็ ที่ยุ่งหนึ่งคือเราไม่รู้ว่าใครแล้วก็คิดยังไงแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ยก็คิดยังไงในที่ยังคุยได้นะคือแยกมาคุยทีละคนสองคนเนี่ยคุยกันได้ทําความเข้าใจกันได้แต่ต้องปล่อยเขาระบายความคิดออกมาแล้วเราก็เอาความคิดเหล่านี้ยถามกลับไปให้เขาค่อยๆ ค, คิดก็ค่อยๆ ค, ค, คิดคือมองเขาด้วยจิตเมตตาอินดูมุ่งอนุเคราะห์ อย่างแม่ขอคงคุยจุลินพูดน่ารักมากนะะนั่นคือวิธีคิดแบบพุทธเราไปเป็นคนดีอย่าไปเบียดเบียนใครอีกอย่าไปฆ่าคนอีกแม่ไม่ว่าอะไรเราถือว่าเป็นเวญกรรมของู้รานั่นคือคิดแบบพุทธแล้วคนอื่นคิดได้ไหรือเปล่าพูดกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้ทักฟังได้เลเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริงงึงเงงามไปบูในธรรม จะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายดูทั่วกันสวัสดี